วันนี้เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2,560 ถ้าเป็นบริษัทเป็นห้างร้านทำการค้าขายทำกิจการต่างๆก็จะเป็นวันปิดบัญชี เป็นวันที่จะดูว่ารายได้กับรายจ่ายอย่างไหนจะมีมากกว่ากันถ้ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายก็ได้กำไรก็จะมีเงินโบนัสจากพนักงานจะได้ไปเที่ยวกันไปซื้อของต่างๆถ้า รายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็าขาดทุนก็จะไม่มีการแจกโบนัสและอาจจะมีการตัดเงินเดือนลดเงินเดือนเพราะถ้ารายจ่ายมากกว่ารายได้บริษัทก็จะอยู่ไม่ได้บริษัทก็จะต้องปิดกิจการไป ถ้าเป็นจิตใจก็มีการคิดบัญชีมีการปิดบัญชีเหมือนกันเช่นวันนี้เราจะมาปิดบัญชีดูว่าบัญชีบุญกับบัญชีบาปที่เราได้ทำไว้ในปีนี้มีอันไหนมากกว่ากันถ้าได้ทำบุญมากกว่าทำบาป ถ้าเราต้องจากโลกนี้ไปเราก็จะไปดีไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบัญชีบาปมีมากกว่าบัญชีบุญถ้าเราต้องไปในวันนี้เราก็จะต้องไปอภายนี่ก็คือเรื่องจิตใจของพวกเราทุกคน ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่มีบุญและบาปเป็นผู้กำหนดทิศทางสถานที่ที่เราจะไปต่อหลังจากที่เราไม่มีร่างกายนี้แล้วบุญและบาปนี้คือการกระทำต่างๆที่เรากระทำกันอยู่ทุกวันถ้าเราทำความดี ทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราก็เรียกว่าบุญถ้าเราทำบาปถ้าเราทำความชั่วทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเราก็เรียกว่าบาปบาปกับบุญนี้มีผลกับจิตใจเราทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ และหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าทำบุญใจเราจะเย็นใจจะสุขถ้าทำบาปใจจะร้อนใจจะทุกข์นี่คือ <c oughs> สิ่งที่มีความสำคัญสิ่งที่มีอิทธิพล ต่อจิตใจของพวกเราสิ่งที่จะทําให้เราสุขให้เราทุกข์กันอยู่ที่การกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจการกระทําทางกายทางวาจาทางใจนี้เราเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทำํำถ้ากระทําดี เราก็เรียกว่าบุญถ้ากระทำชั่วเราก็เรียกว่าบาปทำแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาผลเราก็เรียกว่าวิบากวิบากที่ดีก็เป็นความสุขใจวิบากที่ไม่ดีก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ใจความสุขใจนี้ก็เรียกว่าสวรรค์ ความทุกข์ใจก็เรียกว่าอบายนี่คือบัญชีของพวกเราที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันดังนั้นพวกเราควรที่จะมาตรวจตราดูบัญชีของเรานับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรามาจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้เราได้ทำบุญ ได้ทำบาปมามากน้อยเพียงไรถ้าเราจำไม่ได้เราก็ยังสามารถที่จะดูจากเวลาที่เรานอนหลับได้ถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีก็ถ้าฝันดีมากกว่าฝันร้ายก็เรียกว่าเราได้ทำบุญมามากกว่าทำบาป ถ้าเราฝันร้ายมากกว่าฝันดีก็เรียกว่าเราได้ทำบาปมามากกว่าทำบุญเนีนี่เวลาเราตายไปนี้ก็เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเพราะเวลาเรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราใช้ใจสร้างเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้สัมผัสรับรูบร้ เป็นเหตุการณ์ที่ดีบ้างเหตุการณ์ที่ไม่ดีบ้างเหตุการณ์ที่ดีก็เรียกว่าฝันดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ฝันร้าย เ, เวลาที่เราตายไปก็เหมือนเรานอ น, อนหลับไปแต่นอนแบบยาวนอนแบบ จะไม่ได้กลับมาสู่ร่างกายอันเก่าของเราถ้าเราจะเตื่นอีกทีก็ตอนที่เราได้ร่างกายอันใหม่ตอนที่เราเกิดใหม่ตอนที่เราออกจากท้องแม่มาใหม่ตอนนั้นเราก็จะตื่นจากความฝันความฝันนี้แหละคือจะเรียกว่าเป็นสวรรค์หรือเป็นอบายเป็นนรกก็ได้ ใจเรานี่แหละเป็นผู้สร้างนากสร้างสวรรค์ขึ้นมาอยู่ในใจเรานาลกสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นอยู่บนท้องฟ้าหรืออยู่ภายใต้ดินไม่มีจะไปหาสวรรค์ด้วยการส่งจรวดขึ้นไปสำรวจนี่จะไม่พบสวรรค์ จะส่งเรือดำน้ำลงไปสู่ใต้น้ำหรือเจะอุโมงค์ลงไปใต้ดินเพื่อที่จะไปหาอบายก็จะไม่มีวันเจอเพราะสวรรค์และนรกนี้มันเป็นสภาพของจิตใจ เป็นสภาพความฝันตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเราก็จะไปสวรรค์ไปอบายกันชั่วคราวกพราเดี๋ยวพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาที่ร่างกายถ้าไม่มีร่างกายที่เราจะกลับมาเราก็จะฝันยาวถ้าเป็นบุญบุญก็จะพาให้เราฝันดี ถ้าเป็นบาปบาปก็จะทำให้เราฝันร้ายความฝันดีฝันร้ายนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการกระทาต่างๆเวลาที่เราทำความดีนี้ก็เป็นเวลาที่เราบันทึกภาพบันทึกเรื่องราวที่ดีต่างๆไว้ในใจของเรานั่นเองเวลาเราทำบาปเราก็บันทึกภาพที่ไม่ดี บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีเก็บฝังไว้ในใจของเราพอเวลาเรานอนหลับภาพที่เราได้บันทึกไว้จากการทำดีหรือทำไม่ดีของเรามันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นความฝันความฝันนี่ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ไปทำมาในอดีต ถ้าเราทำความดีมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ดีฝันว่าได้ไปพบสิ่งที่ดีที่งามต่างๆมีความสุขในขณะที่เราฝันถ้าเราไปกระทำบาปไปกระทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไปบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาฝังไว้ในใจพอเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายฝันแต่เรื่องที่ไม่ดี อันเรื่องที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความกลัวขึ้นมาบางทีเวลาตื่นขึ้นมานี่บางทีเหงื่อแตกพอนอนหลับฝันร้ายนี่แหละคือวิบากของการกระทำของเราเรียกว่าวิบากกรรมมันจะแสดงผลทั้งในขณะที่เรานอนหลับและในในขณะที่เราตื่นถ้าเราทำดีนี่ นอนหลับจะฝันดีเวลาตื่นก็จะมีความสุขถ้าเราทำบาปนอนหลับก็จะฝันร้ายเวลาตื่นก็จะทุกข์ใจไม่สบายใจลองสังเกตดูเวลาที่เราทำบาปแล้วใจเราจะรู้สึกอย่างไรเจ้าต้องการดูผลของบุญของบาปให้ดูได้ทันทีที่ใจของเรา ทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะวุ่นวายใจจะวิตกกังวลหวาดกลัวกับการกระทำบาปเวลาทำบุญใจจะเย็นใจจะสบายใจจะสุขนี่แหละคือกรรมที่พวกเราทำกันกรรมดีเราเรียกว่าบุญ กรรมชั่วเราเรียกว่าบาปแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เร า, าสุขหรือทุกข์และเวลาที่เราตายไปเราจะไปสวรรค์หรือจะไปอบายก็อยู่ที่บุญที่บาปนี่เวลาเราตายนี่บุญกับบาปจะมาดึงใจของเราไปทางใดทางหนึ่ง แล้วแต่ว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจไปอบายก่อนไปอบายก็มีอยู่สี่ที่ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปนรกทำไมถึงมีสี่ที่เพราะเหตุที่พาให้ไปทําบาปนี้มีสี่เหตุด้วยกัน ถ้าทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นบาปก็ไปเป็นเดลฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากมากอยากมีมากๆอยากเป็นใหญ่มากๆก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกผู้อื่นเขาทำร้ายเรากลัวว่าผู้อื่นจะมาสร้างความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราก็ไปทำบาปไปทำร้ายเขาก่อนก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้น<ม>ก็จะไปนรกนี่คือเหตุที่จะทำให้จิตใจไปเกิดในอบายสี่สถานด้วยกัน ขึ้นอยู่กับเหตุของการทำบาปทำบาปด้วยความหลงไม่ด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่ามีโทษตามมาก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้ว่าเขาต้องเขาทำบาปกันเขาทำไปเพราะเขาต้องเอาชีวิตอยู่รอดเนต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อให้เขาอยู่ต่อไปได้ เขาก็ไม่คิดว่าเขาก็ไม่รู้ว่าบาปเขาก็จะต้องทำเพราะเขาต้องอยู่แบบนั้นมนุษย์ที่ทำบาปแบบนั้นก็เหมือนกันพวกที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะคิดว่าต้องทำถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่ทำก็จะต้องตายก็เลยต้องทำไปโดยไม่รู้ว่ามีผลบาปตามมาคิดว่าไม่มีผลอะไรตามมาเพราะไม่รู้ว่า ตายไปแล้วจะไปไหนต่อส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปเกิดใหม่คิดว่าตายแล้วก็จบก็เาเห็นว่าตนเองเป็นร่างกายพอร่างกายตายไปก็ไม่รู้ใครจะไปรับผลบาปต่อไปไม่รู้ว่าไม่คิดว่ามีผู้ที่จะไปรับผลบาปต่อไปคิดว่าตนเองได้ตายไปกับร่างกายแล้ว แต่ความจริงตนเองนั้นไม่ได้เป็นร่างกายตนเองนี้เป็นผู้สั่งผู้คิดผู้รู้ที่เราเรียกว่าจิตใจนี่จิตใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปจิตใจนี้แหละที่จะไปไปเป็นอะไรต่างๆ ไปเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายถ้าทําบาปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดก็จะไปนรก นี่ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเดึงไปทางนี้ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเดึงไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพก็มีหลายระดับหลายชั้นสวรรค์ชั้นพรหมและสวรรค์ชั้นอริยเจ้ามีอยู่สามสวรรค์ด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหม สวรรค์ของพระ อ, อริยเจ้าอันนี้ก็เกิดจากการทำบุญทำความดีต่างๆเวลาที่ไปรับผลบุญหรือผลบาปผล บ, บุญที่บาปที่ทำไว้มันก็จะหมดกำลังเหมือนกับเวลาที่เราเติมน้ำมันในรถเนี่ยเติมไป พอเราขับรถไปไหนมาไหนเดี๋ยวน้ำมันที่อยู่ในรถก็หมดพอเวลาน้ำมันหมดเราก็ต้องไปที่สถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันรถใหม่ฉันใดจิตใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาที่เรามาเกิดนี้มาเป็นมนุษย์นี้เราก็มาเติมน้ำมันกันเราก็เติมน้ำมันสองชนิดน้ำมันดีกับ น, น้ำมันไม่ดี คือเติมบุญกับเติมบาปกันพอเวลาที่ร่างกายตายไปบุญกับบาปก็จะดึงไปทางใดทางหนึ่งถ้าดึงไปทางบาปพอบวชบาปที่เราไปใช้ในอบายมีกำลังเท่ากับบุญเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับบุญถ้ามีมากกว่าบาป บุญก็จะเดึงให้เราไปยสู่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์พระอริยเจ้าแล้วพอบุญมีกำลังเท่ากับบาปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรา ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้เราเราเป็นนายร่างกายนี้เป็นผู้รับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบาวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปแล้วใจนี่แหละเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกาย เหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปชนคนตายตำรวจจะไม่จับรถไปขังในคุกในตารางตำรวจจะจับคนขับไปขังในคุกในตารางเพราะคนขับเป็นผู้ขับรถเป็นเพียงแต่ผู้รับคำสั่งของผู้ขับฉันใดใจเป็นก็เหมือนเช่นนั้นใจก็เป็นเหมือนคนขับรถ ส่วนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถรถเพียงแต่รับคําสั่งของใจก่อนที่เราจะทําอะไรทางร่างกายได้ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําอะไรด้วยร่างกายนี้ใจต้องสั่งก่อนใจต้องคิดก่อนอย่างวันนี้ก็คิดว่าเป็นวันสิ้นปีวันนี้จะมาวัดกันมาทําบุญกันมาฟังเทศฟังธรรมกัน ผู้ที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สมองสมองนี้ไม่ใช่เป็นผู้สั่งสมองนี้เขาทาหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายเช่นให้ยกแขนยกขายกเท้าทำอะไรต่างๆนี้ต้องเป็นสมองเป็นผู้สั่งเหมือนกับรถยนต์ที่มีพวงมาลัยมีเบรกนี่เขาก็สั่งให้รถยนต์ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ให้วิ่งให้จอดเนี่ยเป็นเครื่องมือของรถยนต์สมองนี้ก็เป็นเครื่องมือของร่างกายที่จะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้พูดแต่ผู้ที่สั่งให้พูดผู้ที่สั่งให้ยืนให้นั่งนี่ไม่ใช่สมอง ผู้ที่สั่งนี้คือใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้ที่ทำบาปจึงไม่ใช่สมองผู้ที่ทำบุญจึงไม่ใช่สมองผู้ที่ทำบุญทำบาปคือใจถ้าใจไม่สั่งให้ทำอะไรสมองก็จะไม่สั่งไปที่ร่างกายอีกทอดหนึ่งสมองเป็นผู้รับคําสั่งจากใจก่อนใจสั่งไปสมองก็จะสั่งให้ร่างกายขยับ ให้ขยับแขนขยับขาให้ทำอะไรต่างๆด้วยร่างกายนี่คือเรื่องของของการกระทำบุญการกระทำบาปที่จะทำให้เกิดมีผลต่อจิตใจของเราผลที่เราเห็นได้ชัดก็คือความสุขใจความทุกข์ใจเนี่ย อันนี้แหละเป็นตัววัดบุญละตัววัดบาปของพวกเรากันเวลาใดที่เราทุกข์ใจนี้แสดงว่าเรากำลังทำบาปกันใจเราถจงทุกข์กันใจเราถึงร้อนกันเวลาใดที่เราได้ทำบุญเวลานั้นใจเราจะเย็นใจเราจะสบายการทำบุญทำบาปนี้ก็มีเหตุที่ทำให้เราทำบุญทำบาปกัน เหตุที่พาให้เราทำบุญทำบาปกันก็คือกิเลสตัณหานี่เองคือความโลภความอยากต่างๆเวลาเราเกิดความโลภเกิดความอยากแล้ว <c oughs> เราก็จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาร้อนแล้วเราก็เลยต้องไประบายวิธีร้อนถ้าเราไประบายด้วยการทำบาปแทนที่ใจจะหายร้อนกับร้อนมากขึ้นไปอีก ถ้าใจเราร้อนแล้วเราไปทำบุญใจเราก็จะหายร้อนใจเราก็จะเย็นนี่คือ <c oughs> วิธีที่จะทำให้เราใจเย็นหรือใจร้อนก็คือการทำบุญหรือทำบาปและถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องทำบุญทำบาปเราต้องการให้ใจเราเย็นตลอด โดยที่ไม่ต้องไปทำบุญทำบาปเราก็ต้องมาระ ง, งับความโลภความอยากถ้าเราระ ง, งับความโลภความอยากได้ใจเราจะเย็นไปตลอดแล้วใจเราก็ไม่ต้องไปทำบุญไปทำบาปไปทำอะไรใจเราจะมีความสุขใจเราไม่ต้องใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆใจเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ เวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วนี่คือความจริงที่พวกเราไม่มีวันจะรู้กันได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งสอนพวกเราเพราะจะไม่มีใครรู้เรื่องของการกระทําบบบุญการกระทาบาปต่างๆนี่เกิดจากอะไรการที่เรามาเกิดกันนี้เกิดจากอะไร เราจะไม่มีวันรู้เลยและเราจะก็ต้องทำบุญทำบาปไปตามความโลภําตามความอยากของเราไปเรื่อยๆแล้เราเวลาที่ร่างกายเราตายไปเราก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือได้พบกับคำสอนของพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายท่านก็จะสอนจะบอกพวกเราให้รู้ว่าเหตุที่เราต้องมาทำบุญทำบาปกันนั้นเกิดจากอะไรทำไมเราจึงต้องมาเกิดกันทำไมเราจึงต้องมาทำบุญทำบาปกันอยู่แล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปกันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด การมาเกิดของพวกเรามาทำบุญทาบาปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปของพวกเรานี้เราทำกันมาอย่างโชคชนนับจำนวนไม่ได้จำนวนของภพชาติที่เรามาเกิดกันนี้มีจำนวนมากมายกายกองถ้าอยากจะรู้ว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ก็ให้ประมาณดูเอาว่าถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติ ทุกครั้งที่เรามาเกิดนี่เราต้องร้องไห้กันทุกคนจะร้องมากร้องน้อยก็ลองรวบรวมน้ำตาที่เราได้ร้องไห้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันพระพุทธเจ้าบอกน้ำตาของพวกเราจะมีมากกว่าน้าในมหาสมุทรก็คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องกลับมาร้องไห้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะมีน้ำมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร นั่นแหละคือความทุกข์ของพวกเราที่มาเกิดกันแล้วมาร้องห่มร้องไห้กันแล้วก็ยังจะต้องร้องห่มร้องไห้อย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มาหยุดความโลภหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราเนี่ยนี่นี่คือ เรื่องของบัญชีบุญของบัญชีบาบัญชีโลภของพวกเราความโลภนี้เรามีแต่มีมอยู่เรื่อยๆไม่ไม่เคยมีวันที่เราคิดจะตัดความโลภตัดความอยากเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนอกจากพวกที่ได้มาศึกษาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่า สาเหตุที่ทําให้พวกเราต้องมาเกิดมาทําบุญมาทําบาปมารับผลบุญรับผลบาปกันนี้ก็คือความโลภความอยากจะมีพวกนี้เท่านั้นแหะที่จะพยายามที่จะตัดความโลภตัดความอยากให้น้อยลงไปถ้าพวกที่ยังไม่รู้เรื่องนี้อยู่ก็จะไม่มีวันที่จะไปตัดความโลภตัดความอยากได้เลย เวลาโลภอยากได้อะไรก็มีแต่พยายามที่จะทำให้ได้เท่านั้นอยากได้อะไรก็พยายามที่จะเอามาให้ได้ไม่เคยคิดว่าไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่ตายไม่เอาก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนคิดไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าความโลภความอยากนี้เป็นศัตรูกับจิตใจของเรากลับไปคิดว่าเป็นเพื่อนของเรา เวลามีความโลภมีความอยากนี่แสดงว่าเขากาลังจะชวนให้เราไปหาอะไรดีๆมาให้กับเรานั่นเองเวลาโลภอยากได้เงินถ้าเราไม่โลภอยากได้เงินเราก็จะไม่มีวันได้เงินถ้าเราไม่โลภอยากได้แฟนเราก็จะไม่มีวันได้แฟนนั้นเราก็เลยแทนที่จะเห็นความโลภความอยากว่าเป็นศัตรูเราก็จะไปเห็นว่าเป็นเพื่อนของเรา เป็นเพื่อนที่จะพาให้เราไปหาสิ่งที่ดีๆมาให้กับเราไปหาเงินทองมาให้กับเราไปหาแฟนมาให้กับเราไปเที่ยวกับเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความอยากเที่ยวก็จะไม่ได้ไปเที่ยวดังนั้นแทนที่เราจะเห็นความโลภความอยากว่าเป็นศัตรูเราก็จะไปเห็นว่าเป็นมิตรเวลาเขามาชวนให้เราไปเที่ยวเราก็จะไปทันที ชวนให้เราไปหาเงินก็จะไปทันทีชวนให้ไปหาแฟนก็จะไปทันทีแต่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความดีเป็นความสุขเพียงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันจะต้องพาให้เราไปเจอความทุกข์เวลาของที่เราหามาได้นี้มันหมดไปเวลาได้เงินมาก็ดีใจ พอใช้เงินหมดก็เสียใจทุกใจพอได้แฟนมาก็ดีใจพอแฟนจากไปก็เสียใจทุกใจแล้วไม่พอหลังจากนั้นก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาหาเงินใหม่มาหาแฟนใหม่มาเที่ยวใหม่อีกมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาร้องห่มร้องไห้ใหม่ เรามองไม่เห็นภาพรวมเห็นภาพครึ่งเดียวเห็นภาพเห็นภาพที่ดีเห็นด้านดีแต่ไม่เห็นด้านเสียที่เราจะได้รับจากการไปทำตามความโลภทำตามความอยากต่างๆพอเราไม่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ยินได้ศึกษาคำสอน พระพุทธเจ้าจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราที่ความโลภความอยากชวนให้เราไปหากันนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจะต้องดับไปเป็นสิ่งที่จะแล้วจะต้องเสื่อมไปไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง หรือเป็นบุคคลต่างๆจะต้องเป็นอย่างนี้คือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราจะไปควบคุมให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เราจะไปควบคุมให้เขาเที่ยงให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เวลาเขาเจริญเขาก็ให้ความสุขกับเราเวลาเขาเสื่อม ความทุกข์ที่เขาให้เราก็จะหมดไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้สรงตัดสรู้ที่จะเอามาใช้กับการยุติความโลภความอยากเพราะจะสอนให้ใจให้รู้ว่าความโลภความอยากนี้แหละเป็นศัตรูของพวกเราเป็นผู้ที่จะหลอกให้พวกเรานี้ ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆต้องไปร้องห่มร้องไห้อยู่เรื่อยๆต้องไปเสีย อ, อกเสียใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราไปทำตามความโลภทำตามความอยากต่างๆเขาจะพาเราไปพบกับความสุขชั่วคราวความสุขตอนต้นเหมือนกับเขาถ้าเราเป็นปลาก็เหมือนกับเขาจะพาให้เราไปหุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด เวลาเห็นเหยื่อแต่ไม่เห็นเบ็ดก็จะฮุบเหยื่อเพราะคิดว่าเป็นอาหารอันโอชาแต่พอฮุบเหยื่อเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนั่นแหละคือความทุกข์ที่ติดอยู่กับความสุขความสุขนี้เป็นความสุขแบบเหยื่อส่วนความทุกข์นี้เป็นเหมือนแบบตะขอเบ็ดเนยมันมาด้วยกันแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์เราเห็นแต่ความสุข เวลาได้เงินเห็นเงินเราดีใจอยากได้กันเวลาเห็นเขามีแฟนก็อยากจะมีแฟนกับเขานแต่ไม่เห็นเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วจะทําให้เรามีทัศนคติที่เปลี่ยนไป มีสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นมาทำให้เราเห็น เ, เห็นว่ า, เ, าเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าการที่เรามาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราไปทําตามความโลภทําตามความอยากต่างๆาถ้าเราไม่อยากที่จะต้องกลับมาเกิดอยู่ได้เรื่อยๆ กลับมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาทำบุญมาทำบาปกลับมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเราก็ต้องมาพยายามฝืนความอยากกันหยุดความอยากกันให้ได้ถ้าเราฝืนได้หยุดได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปจากใจของพวกเราพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้ว ใจเราก็จะไม่ต้องไปทําบุญไม่ต้องไปทำบาปอีกต่อไปเพราะใจเราจะเย็นใจเราจะสุขใจเราจะอิ่มนีความสุขที่แท้จริงนี้เกิดจากการที่เราทําใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อน มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ส่งคนคนพบด้วยพระองค์เองตอนต้นพระองค์ก็เป็นเหมือนพวกเราจิตใจก็ทุกข์ร้อนเหมือนพวกเราแล้วก็ไม่รู้ว่าความโลภความอยากนี้เป็นต้นเหตุของกาของความทุกข์ร้อนของใจก็ทำทำตามความโลภทําตามความอยากมาอย่างต่อเนื่องจนในวันหนึ่งก็ทรง เห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชจึงทำให้พระองค์เกิดมีข้อสงสยัยมีความากังวลขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าถ้าพระองค์ต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บจะต้องตายการที่จะไปหาความสุขตามความโลภตามความอยากก็จะไม่สามารถทำได้จึงทำให้พระองค์ เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าจะทําไงต่อไปก็ได้เห็นนักบวชและได้คิดได้ทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่จะไปค้นหาวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยสนใจก็เลยอยากจะไปเป็นนักบวชระ้ว่านหนึ่งก็ได้สละราชสมบัติออกบวช เพื่อที่จะได้ไปค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ส่งค้นพบด้วยพระองค์เองหลังจากที่ได้ไปศึกษากับผู้รู้ต่า ง, างๆก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะในที่สุดพระองค์ก็ส่งค้นพบว่า ความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขตามความโลภตามความอยากอยากได้เงินก็ต้องมีร่างกายอยากมีแฟนก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าร่างกายแก่เจ็บตายนี้จะไม่มีใครอยากจะมาเป็นแฟนด้วย <Yeah. S 1> พระองค์จึงทรงค้นพบว่า ความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ร่างกายนี้ก็เป็นธรรมชาติที่เราไปฝืนไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปควบคุมบังคับไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเห็นว่า เราห้ามไม่ได้แล้วเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้เรายอมหยุดหาความสุขจากทางร่างกายให้ได้ยอมเลิกทำตามความโลภทำตามความอยากให้ได้พอใจเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน น <ge ar> ี <ies> ่คือวิธีความจริงความรู้ที่พระพาทเจาได้ส่งคนพบค้นพบวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาอาศัยร่างกายไม่ต้องมามีร่างกายให้ความสุขวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือไม่ต้องมีความอยากให้ตัดความโลภความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าตัดความโลภความอยากได้ ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาในตัวเองเวลาไม่มีความโลภไม่มีความอยากในใจนี้ใจจะสงบใจจะนิ่งแล้วความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติบาังสุขขัง ไม่มีสุขไหนที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี่คือการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าตัดสรุ้วิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทำบุญทำบาปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปกันเสร็จจากการรับผลบุญผลบาปก็กลับมาเกิดใหม่ เพราะตราบใดถ้ายังมีความอยากหาความสุขทางร่างกายอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้าเราสามารถยุติความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทำบุญไม่ต้องมาทำบาปไม่ต้องไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาป ในอบายในสวรรค์เสร็จแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่เพราะเรายังอยากมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเราไม่รู้ว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายอย่างนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความโลภหยุดความอยากเราต้องมาสร้างความสุขทาง จิตใจกันวิธีสร้างความสุขทางจิตใจเราก็ต้องรักษาศีลของนักบวชอยู่แบบนักบวชเพราะนักบวชนี้จะอยู่แบบไม่มีไม่ใช้ความโลภความอยากกับทางร่างกายจะหยุดความโลภความอยากทางร่างกายเช่นถ้าถือศีลแปดเนี่ยศีลเก้สางก็จะเปลี่ยนไปจากการ ไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองมาเป็นจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครจะยุติความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นจะไม่ไม่อยากรับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความอิ่ม้นำสำราญใจรับตะรับประทานอาหารพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอก็จะรับประทานเพียงถึงเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันก็จะงดการรับประทานอาหาร งดการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงมหรสศพต่างๆงดการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายแต่งหน้าทาปากให้มีรูปร่างที่น่าดูน่าสวยงามซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวความสุขเดียวๆเพื่อที่จะได้เอาเวลามาหยุดความอยากต่างๆด้วยการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบภาวนานี้มีอยู่สองขั้นขั้นแรกทำใจให้สงบทำใจให้หยุดความโลภความอยากชั่วข่าวก่อนเวลาที่ความโลภความอยากหยุดแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วจะทำให้เห็นคุณค่าของการไม่มีความโลภไม่มีความอยากว่ามันดีกว่าไปทำตามความโลภทำตามความอยาก พอเกิดความโลภเกิดความอยากก็จะได้ใช้ความรู้คือปัญญาอันนี้มาเตือนใจสอนใจว่าการไม่มีความโลภการไม่ทำตามความโลภความอยากนี้จะทำให้ใจสงบจะทำให้ใจมีความสุขถ้าไปทำตามความโลภทำตามความอยากจะทำให้ใจวุ่นวายจะทำให้ใจทุกข์เพราะต่อไปความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากมันจะต้องเสื่อมจะต้องหมดไป แล้วมันจะทำให้ใจทุกข์มากเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปนี่คือวิธีการที่จะทำให้พวกเราสามารถเลิกความโลภเลิกความอยากได้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมการทำบุญนี้เป็นเพียงการเป็นการปลดเปื้องอความผูกพันกับเรื่องของเงินทอง ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองได้ไม่เราก็จะไม่ต้องไปหาเงินหาทองเมื่อเราไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้เต็มที่อย่างพวกที่เขาเป็นนักบวชนี่เขาสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปหมดเพราะเขาไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองเพราะเขารู้ว่าเงินทองนี้เป็นเครื่องมือของความโลภของความอยาก ถ้ามีเงินทองก็เท่ากับการสนับสนุนให้ความโลภความอยากนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนกับการลดน้ำให้กับต้นไม้เงินทองนี้เป็นเหมือนน้ำที่จะทำให้ความโลภความอยากนี้มันงอกงามขึ้นมาไม่ใช่ให้มันหดลงไปทุกครั้งที่เราใช้เงินตามความอยากมันจะทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นอยากจะซื้อของมากขึ้นอยากจะใช้เงินมากขึ้น เมื่อเราใช้เงินมากขึ้นเราก็ต้องเอาไปเราก็ต้องไปหาเงินกันม า, มากขึ้นเราก็จะไม่มีเวลาที่เราจะไปไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลของนักบวชกันได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะไปหยุดความโลภความอยากเราต้องการจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเลิกใช้เงินเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆ ถ้าเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานเอาไปให้คนอื่นไปสละไปอย่าไปใช้เงินใช้ทองแล้วไปอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมใช้การปฏิบัติธรรมคือการรักษาศีลแปดการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการเจริญสติการฟังเทศฟังธรรมเป็นวิธีซื้อความสุขแบบใหม่ ถ้าเราสามารถบังคับใจของเราให้ไปปฏิบัติได้ต่อไปเราจะได้หยุดความอยากหยุดความโลภได้แล้วเราจะได้หยุดความทุกข์หยุดความวุ่นวายใจต่างๆได้หยุดการที่จะเราที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำถ้าเรา ไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญทำบาปแล้วก็ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เราก็ต้องหยุดความโลภความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขการใช้เงินทองนี่ก็เป็นเครื่องมือของการใช้ร่างกายเพราะร่างกายจะไปเที่ยวได้ก็ต้องมีเงินทอง ถึงจะไปใช้ร่างกายไปเที่ยวได้มีร่างกายแต่ถ้าไม่มีเงินทองก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อจะได้ไปเที่ยวถ้าเรารู้ว่าการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองตามความอยากเป็นการส่งเสริมความอยากเราก็ต้องเลิกมันถ้าเรามีเงินทองไม่จำเป็นจะต้องใช้เราก็ให้คนอื่นไปทำบุญทำทานไปจะใช้เงินทองก็เพื่อที่จะ ไว้เลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปรักษาศีลแปดไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาไปฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, อยแล้วต่อไปเราจะมีกำลังที่จะสู้กับความโลภสู้กับความอยากเราจะฝืนมันการฝืนมันก็เท่ากับการหยุดมันคือไม่ไปทำตามที่มันอยาก อยากไปเที่ยวก็ไม่ไปเช่นนี้วันหยุดสี่วันนี้อยากจะไปเที่ยวกันก็ไม่ไปอยู่บ้านหรือมันก็ไปอยู่วัดอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้แล้วก็เอาเวลาที่อยู่บ้านอยู่วัดนี้มาทําใจให้สงบให้ได้วิธีจะทําใจให้สงบก็ต้องควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับคาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป เหลืออยู่กับการสวดมนต์ไปเหลืออยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำลายต่างๆของร่างกายให้ผูกใจติดไว้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งผูกไว้กับพุทธผูกไว้ ก, กับการสวดมนต์ผูกไว้กับการกระทาต่างๆของร่างกายให้มันอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็จะไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้แล้วพอมันไม่คิดเวลาเรามานั่งเฉยๆจิตมันก็จะนิ่งจะสงบ จะเป็นสมาธิขึ้นมาใจะจะสบายจะมีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าไปเที่ยวหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าด้วยกันนี่คือวิธีหาความสุขที่ถูกต้องเพราะจะเป็นความสุขที่เราจะได้ไม่ต้องใช้ความโลภความอยากอีกต่อไปถ้าเรามีความสุขแบบนี้มีความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ความสุข แบบท ำ, op, ทำากกตามค ว, วามโลภทำตามความอยากกันต่อไปเราโลภเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากเราก็บอกว่าไม่ไปไม่เอาความโลภชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปความโลภชวนให้ไปมีแฟนก็ไม่ไปอยู่กับบ้านอยู่กับวัดดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าแล้วก็จะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าไปมีแฟนก็เดี๋ยวก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาใหม่ๆก็สุขกับแฟน พออยู่กันไปสักพักเดียวก็ต้องทะเลาะวิวาดกันต้องมีเรื่องมีราวกันหรือต้องจากกันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในการยุติความโลภยุติความอยากต่างๆยุติการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญมาทำบาปแล้วก็ไปรับผลบุญรับผลบาป วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์เดียวที่สามารถค้นพบสาเหตุของการเวียนว่าตายเกิดสาเหตุของการทําบุญทำบาวว่าเกิดจากความโลภเกิดจากความอยากนี้เท่านั้นเองแล้วก็พบวิธีที่จะทําให้หยุดความโลภหยุดความอยากได้อย่างสิ้นเชิงก็คือวิธีปฏิบัติศีล ส, สมาธิและปัญญานี่เอง พพระองค์ได้ยุติการาได้หยุดความโลภความอยากหมดสิน้นหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วพระ อ, องค์ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปพระ อ, องค์ก็อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่ถาวรที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังไปนิบบานังแปลว่านิพพานปรมังสุ ข, ขังแปลว่าบรลมะมสุขนิพพานคือใจที่ไม่มีความโลภความอยากนี้เองใจ ที่ไม่มีความโลภความอยากนี้เป็นใจที่มีความสุขที่สุดบรมมาสุขเนหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราถ้าพวกเราโชคดีได้มาเกิดได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้และสามารถเอาประโยชน์จากการรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้อย่าง อย่างสูงสุดได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรล ม, มาสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราได้มาพบแล้วแต่เราไม่สนใจที่จะศึกษาและจะปฏิบัติอย่างจริงจังการได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยเวลาไก่คุ้ยเขียหาอาหารนี่ก็จะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือน เวลาไปเจอเพชรจะพลอยเขาจะเขียทิ้งเขียดทิ้งเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยว่าถ้าเขาเก็บเอาไว้ขายนี่เขาไม่ต้องมานั่งคุ้ยเขีย่ยจะมีตัวนอนตัวไส้เดือนเท่ากินไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนะเขาไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเกิดในครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนานการนับถืออย่างเดียวไม่พอนับถือแล้วต้องศึกษาศึกษาแล้วต้องปฏิบัติถึงจะได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ทแท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นในวันนี้เป็นวันสิ้นปียิงอยากให้ท่านได้เอาเวลาวันสิ้นปีนี้มาคิดบัญชี ว่าปีนี้ทั้งปีได้ทำอะไรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนบ้างหรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามข้อใหญ่ๆหญ่ให้ละการกระทําบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้กำจัดความโลภความอยากให้หมดไปจากจิตจากใจถามตัวเราเองว่าเราได้ทํามากน้อยเพียงไรถ้ายังทําไม่มากพอก็ขอให้ปีใหม่นี้ เริ่มทำกันให้มากขึ้นไปเถิดเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์กับจิตใจเรามากกว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉาตุสับเพยบุเรนตุสังกป้าจันโทปนาหราโสยธามณิโชติราโสยธาสพภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวัฏฐานติอายุวโนโสุขังภาลางังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคําถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่พอเลิกประชุมแล้วก็ขอโกรุณาอยากก็ามาถามอีกอยากจะถามขอให้ถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็ให้เขียนข้อความส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีผู้อ่านข้อความให้ตอนนี้ทาง facebook กับ YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ครับวันนี้ทาง Facebook เข้ามาที่สองรอยสามสิบเก้าคนครับ YouTube อยู่ที่ร้อยสี่คนครับวันนี้ว a l k i อินมีเข้ามาสองรอยห้าสิบคนครับรวมเป็ น, นห้าร้อยเก้าสิบสามคนรอยกว่า ม, มีใครอยากจะถามไหมยกมือกันเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเรียงลำดับก่อนอะอะนะพูดใกล้ๆไมโครโฟนนะพูดใกล้ๆ เรียนพระอาจารย์ครับ ใ, ใกล้ๆเอาเอไม้กรโฟนใกล้ๆปากเรียนพระอาจารย์ครับอา่าถ้ากระผมปาถนาจะให้ผู้อื่นมีความสุขถือว่าเป็นกิเลสไหมครับไม่หรอกเรียกว่าเป็นความเมตตาการที่เรามีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ถ้าเราไปทุกกับเขาแล้วนั่นถึงจะเป็นกิเลสคือมีความเมตตามีความปาถนาะก็มีความสุขได้ แต่ถ้าก็ไม่มีความสุขแล้วเราทุกนี่ถึงจะเป็นกิเลสเน้นถ้าเรามีความปรารถนาแล้วเราให้ความสุขกับเขาแต่เขายังไม่มีความสุขพอก็ช่วยไปได้อย่าไปทุกข์กับเขาขถ้าทุกข์นะนะถึงจะเป็นกิเลสขึ้นมา อ, นนอ่าตรงไปทางโน้นต่อนการพระอาจารย์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับเ อ, อจิตเลื่อนชั้นช่วงของการปฏิบัติเนี่ยครับจุดสังเกตมันควรจะมีอะไรบ้างครับ ก็กิเลสน้อยลงลภความโลบความอยากน้อยลงความโกรดน้อยลงปล่อยวางได้มากขึ้นเคยยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราก็คลายลงไปเพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราความทุกข์ก็เบาลงไปความเครียดความอะไรต่างๆก็น้อยลงไปก็ดูได้อย่างนี้เป็นแบบคร่าวๆแต่ถ้าจะดูระดับของพระอริยก็ต้องดู เช่นพระโสดาบันนี้ท่านก็ปล่อยวางร่างกายได้หมดคือร่างกายนี้ท่านเห็นว่าไม่ได้เป็นตัวเราของเราอ่ามันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บป็นตายเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเฮ้ยจริงจะแล้วช่วงแรกๆนะครับเวลาที่ปฏิบัติอย่างนี้ครับคือลักษณะของจิตรวมนี่มันจะมันจะรวมได้ดีกว่าพอช่วงหลังๆนี่คือว่ามันจะเห็นได้ว่าจิตมันคิดอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ แล้วการรวมของจิตมันจะยากขึ้นอย่างนี้ถือว่าเป็นการเลื่อนชั้นของจิตด้วยไหมครับคือถ้ารวมยากก็เลื่อนลงไม่ได้เลื่อนขึ้นรวมง่ายถึงยากเลื่อนขึ้นยิ่งง่ายเท่าไหร่เร่งยิ่งเร็วเท่าไหร่แสดงว่าเราก้าวหน้าสติเรามีกําลังมากขึ้นเวลานั่งเราจึงอย่าไปดูจิตเราต้องอย่าให้มันคิดอย่าไปดูมันพุดโธพูดโธไปดูลมไปถ้าดูจิตแล้วมันก็จะไม่มีสติปล่อยให้จิตคิดจะแสดงว่าไม่มีสติ อล้มันก็จะไม่รวมกระจายนะขอบคุณครับขออนุญาตกาพยันถามพระอาจารย์นะคะเบีใก<น>ล้ไหมการที่เวลาเราภาวนาแล้วเห็นสภาวะข้างในมันไหวดังๆไหนไม่ได้ยินนะสภาวะข้างในอ่ะมันไหวแล้วมันก็ไหวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่าไปดูสภาวะให้ดูลมให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วสภาวะต่างๆมันจะค่อยหมดไป ถ้าเราไปดูสภาวะเดี๋ยวมันจะขยายตัวขึ้นใช่ค่ะมันจะแรงขึ้นแล้วไม่ควรดูไง <c oughs> เวลานั่งสมาธิไม่ดูสภาวะเราต้องการที่จะยุดหยุดสภาวะธรรมทั้งปวงให้จิตมันว่างต้องดูพุทโต อ, อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจแล้วสภาวะธรรมต่างๆมันจะค่อยๆหดไปหายไปในที่สดุดจิตก็จะว่างจิตก็จะสงบขึ้นมานี่คือหลักการของนั่งสมาธิไม่ต้องการดูจิตต้องการหยุดจิต ต้องรอถึงขั้นวิปัสสนาก่อนถึงค่อยไปดูจิตการจะดูจิตได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนมีสติก่อนพอที่พอเวลาเกิดจิตมีอาการไม่ปกติเราจะได้หยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเวลาไปดูจิตเดี๋ยวมันเกิดวิป ร, ราวขึ้นมาเราจะหยุดมันไม่ได้อย่างตอนนี้ค่ะมันก็ไหวไหวเร อ, อย่าไปดูมันให้ใช้พุโทโธพุโทโธไป เวลามันไหวก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะอยู่ในเอรียบทใดใช้พุทโธได้จะใช้ลมก็ใช้ได้เฉพาะเวลาที่เรานั่งนะอย่าไปดูเพระรู้ว่ามันไหวต้องหยุดมันวิธีจะหยุดความไหวของจิตก็คือใช้สติใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธสวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้อแล้วแต่แต่พุทโธน่ะดีที่สุดใกล้ตัวที่สุดเมือสวดมนต์ไปนะ อย่าไปดูดูแล้วเราหยุดมันไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดูมันถ้าดูแล้วหยุดมันได้ก็ดูไปคำถามจากคุณดิลิกนะคะถ้าเราเจริญสติโดยการท่องพุทโธอยู่ตลอดแต่เวลาเจอสัตว์เช่นเปิดประตูไปเจอตุ๊กแกแล้วยังตกใจนี่เป็นปกติไหมครับทำไมต้องแก้ไ ข, ข ย, ยังไงครับอ๋อมันก็เป็นปกติ ที่ไม่ปกติคือหลังจากที่ตกใจแล้วก็เกิดความกลัวหรือเกิดความเกลียดขึ้นมาอันนี้ถึงไม่ปกติถ้าเกิดความกลัวเกิดความก่อเกกลียดขึ้นมาก็ต้องหยุดมันด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธไปมันเป็นปกติเวลาเจออะไรกระทันหานนี่จิตมันจะต้องตกใจเพราะฉะนั้นการตกใจนี้เป็นเป็นสัญชาตญาณของจิตแต่ ไม่เป็นกิเลสมันจะเป็นกิเลสต่อเมื่อหลังจากที่เราตกใจแล้วเราไปเกิดความกลัวความโกรธความมามะเกียดขึ้นมาอันนี้เราต้องหยุดมันจากคุณทางสายใหม่นะคะพระอาจารย์ครับผมนอนกําหนดยุบหน่อพองหนอแล้วเห็นร่างกายตัวเองนอนขยับอะไรไม่ได้เลยแต่มีแสงเป็นก้อนเท่ากําปั้นยุบขึ้นยุบลงที่ท้อง แสงนั้นมันเป็นจิตใช่ไหมครับขอบคุณครับก็เป็นอาการของจิตนะเรียกสภาวะธรรมในจิตซึ่งเรามันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่เราไม่ควรไปสนใจมันเราถ้าเรายุบหนอพองหนอก็ให้ยุบหนอพองหนอไปอย่าไปสนใจกับอย่างอื่นจะเห็นร่างกายไม่เห็นร่างกายไม่สําคัญขอให้เรายุบหนอพองหนอไปิจนกว่าจิตจะว่างจิตจะสงบจะคุณ เตยฟูนะคะคำถามครับจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาเดินทางปัญญาได้แล้วครับความจริงปัญญานี่เราเดินได้ตลอดเวลานอกจากเวลาที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราจะมีกําลังใช้ปัญญานี้ไปหยุดกิเลสได้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่มีสมาธิถึงแม้เราจะรู้ว่ากิเลสไม่ดีความโลภไม่ดีการทําตามความโลภเป็นทุกข์แต่เราก็อาจจะหยุดมันไม่ได้ เช่นคนที่อยากจะสูบด้วยเลยอยากดื่มสุราเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเขาไม่มีกําลังหยุดจิตเขาก็จะหยุดไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ดังนั้นการที่จะใช้ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก่อนดังนั้นถ้าเป็นไปได้คนที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้ามีสมาธิแล้วก็เป็นเหมือนรถที่มีเบรก เราลดมี break, เบรกล้วค่อยขับรถออกไปตามถนนใหญ่ถ้าไม่มีเบรกถึงแม้จะรู้ว่ากฎจราจรเป็นอย่างไรถึงสียแยกไฟแดงจะต้องจอดต้องหยุดแต่ถ้าไม่มีเบรกก็หยุดไม่ได้นั้นปัญญาเป็นเหมือนความรู้รู้ว่ารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วส่วนสมาธินี้เป็นผู้หยุดถ้าปัญญาบอกว่าหยุดก็ต้องหยุดถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดไม่ได้เช่นอยากจะสู่กรีรู้ว่าไม่ดี แต่ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดไม่ได้ฉั้นต้องสร้างสมาธิขึ้นมาถ้ามีสมาธิถ้าไม่มีปัญญาถึงใช้คอยมาฝึกปัญญาเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษจะได้รู้ว่าความโลภความอยากไม่ดีอย่าไปทำตามความโลภตามความอยากพอรู้แล้วเวลาเกิดความโลภขึ้นมาก็ใช้สมาธิหยุดมันใช้สติหยุดมันค่ะจากคุณจงศีนีนะคะ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิต้องเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมคะหมายถึงที่บ้านค่ะได้ทุกเวลาที่เราว่างที่เราไม่ต้องทำอะไรแทนที่จะนั่งดูโทรทัศน์นั่งดูหนังดูภาพยนตร์เราก็นั่งสมาธิจะได้คุณได้ประโยชน์กว่าหมดคำถานะคะคำถามวันนี้น้อยคงไปต่างจังหวัดกันผู้ติดตามน้อยหน่อยช่วงนี้เหลือแค่สองร้อยกว่า ธรรมดาก็สามร้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีเข้ามาเพราะว่าเขากำลังรอให้เปิดโอกาสให้เปิดถามได้ถ้าใครยังอยากจะถามอะไรอยู่ทางนี้ก็มาถามได้โดยจะส่งข้อความเข้ามาก็ได้ค่ะจากคุณดิลิกเหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์ครับเวลาดูลมตอนนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเย็นลง กลางอกบูบวาบค่อยๆลามไปทั้งตัวนี่คืออาการอะไรครับอาการของจิตสงบจิตสงบแล้วความเย็ยนซาบๆมันก็จะแพ่กระจายไปตามร่างกายได้เกิดอาการขนลุก ส, ส, สู้ขึ้นมาได้เรียกว่าปิติเกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่าไปเก่งอย่าไปหวังผลขอให้เราเฝ้าดูลมหายใจไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียว ถ้าเราไปเก่งไปหวังผลแล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุเหตุก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีคำถามเข้ามาอีกใช่มัมยมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยจะได้ภาวนาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเจ้าคะ่ะแต่ว่าก็พยายามกำหนดพยายามกำหนดรู้ว่าถ้าความไม่พอใจมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็พยายามตัดไปแต่ มันก็มันก็หายไปแต่ว่าคือคือความโกรธอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงแต่ว่าคือไม่หมดมันไม่หมดอะเพราะความโกรธนี่มันเกิดจากความอยาก เ, าเวลาเราอยากเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธ้าไม้อยากให้เกิดความโกรธก็พยายามละความอยากอย่าไปอยากมากอย่าไปจูจ้จี้จุกจิกอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ฝึกใช้มักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด เอาน้อยๆแล้วจะไม่ไม่ทุกข์มากไม่โกรธมากถ้าอยากบ้างมากมันจะทุกข์มากแต่คืออย่างอย่างโยมเป็นเป็นคนที่ชอบแบบเข้ามาทางสายกราบไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเจ้ค่ะแต่ว่าคือกแฟนเขาเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราจะต้องคือแบบกเข้าหาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเราต้องกราบไหว้ ท, ทั้งที่ก็เป็นคนเหมือนกันแต่แต่โยมก็ คือรู้สึกว่าถ้าพออธิบายแล้วคือมันไม่เกิดประโยชน์โยมก็เลยเงียบไปเลยนะเจ้าค่ะอ่าได้ไม่เป็นไรเพราะเขาเหมือนคนคนงเ่ยคนไม่ฉลาดอธิบายไงเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขามีความเห็นผิดเขาเห็นว่าคนเราเหมือนกันเป็นจาเป็นจะต้องกราบกันแต่เขาไม่รู้ว่าคนเรานี้ถึงแม้จะมีร่างกายเหมือนกันแต่มีความรู้ความคุณธรรมนีม่คนงามความดีแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเขาไม่เชื่อก็อย่าไปบังคับเขาถ้าก็ถามก็อธิบายเขาฟังไป<ช>ก็พอแต่บางทีถ้าหากว่าพออธิบายมันก็เหมือนกับมันมันมันเป็นผลเสียมากกว่าผลได้โจง<า>ก็เลยหยุดถ้าเขาเถียงเราก็หยุดแล้วก็ไม่ต้องอย่าไปเถียงกับเขาบางทีคือเหมือนก็มไม่พูดดีกว่านั่งน้ําตาไหล ด, ดีกว่าเหมือนกับถ้าพูดไปเขาจะเหยียบพ่อแม่เราก็แล้ใช่ใช่เขาไม่เข้าใจ ตรงนี้เขาไม่ได้ถูกสอนให้มีสัมมาคารวะเขาไม่ได้สอนให้ว่ามีที่สูงที่ต่ำมีคนมีมีคนที่มีพระคุณที่เราต้องตอบแทนบุญคุณเพราะนั้นเราต้องเข้าใจเขาแล้อยากไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่เสียใจที่เราเสียใจเพราะเราหวังอยากให้เขาเข้าใจเหมือนกับเราเข้าใจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่บางทีก็เสียใจว่าเหมือนกับ ครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่เราเราก็น้อยใจว่าไม่ให้ใครมาเหยียบไงออันนี้ก็นะนี่ก็เป็นกิเลสอย่าไปน้อยใจครูบาอาจารย์ท่านเป็นท่านถทําตัวท่านเป็นเหมือนแผ่นดินอยู่แล้วใครจะไปเหยียบใครจะไปดูถูกดูแคลนนี่ฉันไม่เดือดร้อนเราไปเดือดร้อนแทนท่านเองเข้าใจไหมนะแต่ก็คือแบบผ่ำนะรักเรามีให้กับท่านมันมากด้วยนะแล้วมันก็มันมันก็เลิกไม่ได้ไงเจ้าคะก็ต้องหาข้ามนะจิตใจ พ, พอเสียใจก็พูดโธพูดโธไป แสดงว่ากิเลสเกิดแล้วไม่ใช่ธรรมะแล้วนะเจ้าค่ะโอเคมีคนจะถามอยู่ข้างหลังส่งหม่ไปข้างหลังหน่อยจะขอวิธีฝึกปล่อยวางหน่อยค่ะหลวงพ่อก็น้องมองว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมเข้ามาชั่วขาวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องคืนเข้าไปคืนเจ้าของไปเวลาเรามาเราก็มาตัวเ ป, ปล่าปล่าไม่ใช่ไหมร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นของพ่อของแม่ แล้เดี๋ยวเราก็ต้องยกให้กับสรรเพลอไปต้องพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเรามาเราคือใจเรามาได้ร่างกายแล้วเราก็ใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเวลาร่างกายตายไปเราก็เอ า, เ, าเอาสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไปไม่ได้เลยต้องคิดอย่างนี้บ่อยๆ คิดถึงว่าเรามาตัวเปล่ปาๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตัวเปล่ปาๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้จะต้องจากเราไปไม่จากเป็นก็ต้องจากตายแล้วเราก็จะไม่ยึดไม่ถือมากให้คิดปล่อยบ่อยๆก็ ค, ค, คือคิดทุกวันเลยทุกวนันทุกนมหายใจเขาออกเลยเอพอเห็นอะไรก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ของเรานะเป็นของยืมเรามาเห็นลูกก็บอกเดี๋ยว เขาก็า จ, จะจากเราไปได้เมื่อไหร่ก็ได้เห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องเห็นสามีเห็นอะไรเห็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยต่อไปมันจะจําได้แล้วมันไม่ต้องเตือนพอะมันจําได้แล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถือขอบคุณค่ะหลวงพ่อมีคำถามข้อนะครับอาจารย์พูดดังๆหลักการปรองาบทที่ถูกต้องอ่ะครับอาจารย์อ๋อเขาต้องไปศึกษาเวลาบวชเขาจะมีให้พระสอนให้อีกทีนึ่ ก า, า<ช>เคยได้ยิ น, นว่าต้องสวมจีวรเท่ากันอย่างนี้ครับแล้วก็เว้นระยะห่างให้คนเดินผ่านได้อย่างนี้ครับแล้วก็นั่งเท่ากันอย่างนี้ครับอันนี้คือจําเป็นด้วยไหครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความเคร่งครัดของแต่ละวัดนบางวัดเขาก็เอพอสมเหตุสมผลก็นั่งต่อหน้ากันอย่างนี้แล้วก็กล่าวคําไม่ต้องมานัดว่า ก, กี่เมษกี่คือกี่วากี่ศอก แล้วแล้แลงพงที่จะปรงกับเราเนี่คือต้องเป็นองค์ที่ไม่มีมนทินด้วยใช่ไหมครับก็ไม่ได้ผิดข้อเดียวกันถ้าผิดข้อเดียวกันครับพงไม่ไดุ้ อ, อต้องไปพปงกับคนที่เขาไม่ผิด เ, ออเคยบวชมานั่งเลยเคยสึกมหอตอนนี้ก็ไม่ต้องรงแล้ว <c oughs> กราเรียนพระ อ, อาจารย์ครับอยากทราบว่าคาราวาร่าก็สามารถบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันได้ ต้องละกิเลสตัวใดบ้างครับก็เหมือนกนารพากับค า, ารวาสก็ต้องละกิเลสตัวเดียวกันถ้าเป็นโสดาบันก็ต้องละสักกายทิฐิคือความหลงผิดคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นว่าร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำมลมไฟแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะไม่มีความหวง ไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ใครก็บรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคารวะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราละละได้ตามที่เห็นจริงๆคือไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตาย ก็เป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้สมัยพุทธกาลนี้มีเด็กเป็นสัมเณเ น, ณนี้บรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ก็มีดังนัน้นไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่หญิงหรือชายอยู่ที่เป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชอยู่ที่ว่ามีมรรคคือสติปัญญาสมาธิหรือไม่ถ้ามีสติปัญญามีสมาธิก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้กันทุกคนดังนั้นขอให้เราพยายามสร้างมรรคกันขึ้นมา สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้จากผู้ไม่อยากลงมาในโลกนี้อีกแล้วนะคะกราบพระอาจารย์สุชาติขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทาตัวอย่างไรถึงจะได้เป็นพระอนาคามีคะพระอนาคามีนี้เกิดเป็นผู้ที่ละกามอารมณ์ได้ละความอยากมีแฟนได้ การที่จะละความอยากมีแฟนได้ต้องเห็นร่างกายของแฟนน่าเกลียด น, น่ากลัวไม่สวยไม่งามเช่นต้องมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังถ้ามีปัญญาจะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นใบหน้านี้ภายใต้บิวหน้าก็จะเห็นกระโหลกศีรษะถ้าเข้าไป้งในร่างกายส่วนอื่นก็จะเห็นโครงกระดูก โงกระดูกนี้มีอยู่กันทุกคนแต่มองไม่เห็นกันหรือเห็นอวัยวะต่างๆเช่นปอดตับไตหัวใจลำไส้แล้วก็ของสกปรกที่อยู่ในร่างกายอยู่ในลำไส้เช่นอุจจาร ะ, ะปัสสาวะของต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นจำจะจำได้แล้วพอเห็นร่างกายที่หลายก็จะนึกถึงอาการต่างๆเหล่านี้ มันก็จะทำให้ไม่มีความอยากที่จะเสพกามแล้วก็จะไม่เหงาอยู่คนเดียวได้คนที่ไม่มีกามอารมณ์นี้จะจิตจะสงบจะไม่วุ่นวายจะไม่งดจ็ตจะไม่ลาคาญใจก็จะเป็นพระอนาคา ม, มีได้ํารถามจากคุณธีรตินะคะถามพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมช่วยรักษาโรคหรือการป่วยทางร่างกายได้ไหมครับ บางโรค ก, ก็ได้อยู่ถ้าโรคภัยเกิดจากเหตุจากจิตไม่สงบจิตถ้าเกิดจากความเครียดเช่นสมัยนี้มีโรคหลายโรคที่หมอบอกว่าเกิดจากอาการเครียดถ้าทำใจให้สงบได้ปฏิบัติทำใจสงบอาการเครียดหายไปโรคที่เกิดจากความเครียก็จะหายหรือเบาบางลงไปได้แต่ถ้าเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากจิตมีรักษาไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็รักษาไม่ได้ พระพุทธจ้าก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นโรคที่เกิดจากเหตุอื่นจางอย่อจากการติดเชื้ออย่างนี้ถ้าติดเชื้อเอชเข้าไปนี่ก็ไม่มีนั่งสมาธิปฏิบัติทําไงเชื้อเอชก็ไม่ตายเะฉั้นต้องหาวัคซีนหรือหายาฆ่าเชื้อเอชให้ได้มันถึงจะตายแต่ถ้าโรคที่เกิดจากความเครียดนี้หายได้วิตกกังวลหงอยญกินไม่ได้นอนไม่หลับสู้พร้อมพอภาวนาจิตสงบมีความสุขกินได้ จิ่ ม, มีพิมันขึ้นมาอันนี้อยู่ที่เรื่องของจิตจากคุณนาวพรนะคะกราบพระอาจารย์ค่ะเราอยากจะละความอยากแต่ยังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงมารดาอยู่ค่ะเลยยังต้องมีความอยากหาไรายได้เลี้ยงบารดาอยู่ค่ะจะทำอย่างไรให้สมดุลกันคะ อ, อ๋อความอยากมันมีหลายขนาดไงก็ลดมันให้เหลือขนาดเล็กที่สุด คื อ, อยากในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเช่นตอนนี้เรายังมีภาระต้องเลี้ยงดูมารดาก็หาเงินมาเพื่อเลี้ยงดูมารดาก็พอเราอาจจะไม่ต้องทํางานมากเราก็ยังจะได้มีเวลามาหาธรรมะได้มาปฏิบัติทําได้แต่ถ้าเราใช้เหตุอ้างว่าเราต้องหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงมันดาแต่หามากกว่าที่ควรจะหาเพื่อที่เราจะได้เอาเงินนี้ไปเที่ยวไปซื้อของอะไรตามความอยากอันนี้ก็จะ ถูกกิเลสหลอกงั้นเราต้องพยายามควบคุมความอยากให้มันพอเหมาะพอสมกับความจำเป็นพระก็ยังต้องออกบินทบาทพระก็ยังต้องเลี้ยงชีพแต่ก็เลี้ยงชีพพออยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอไม่โลภไม่สะสมไม่อะไรถ้าอยู่ไม่ได้ก็คิดว่าตายเพราะไม่ช้าก็เร็วไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครไม่ตายจะมีเงินทองร้อยล้านพันล้านมันก็ตายอยู่ดี เพราะฉะนั้นหาพอให้เลี้ยงอยู่ไปวันๆหนึ่งก็พอค่ะจากคุณสิวๆนะคะฝากถามพระอาจารย์ด้วยครับทุกวันนี้เกษียณมาแล้วแต่เฝ้าดูแลแม่ทุกวันทำให้เครียดเพราะไปไหนไม่ได้มีหยุดวันที่น้องสาวมาช่วยวันอาทิตย์ถึงบ่ายจันเท่านั้นจะทะเลาะกับแม่บ่อยมากเพราะไม่เพราะอยากจะไปทำงานบ้านทุกอย่าง รวมทั้งทอาหารด้วยอยากขอคาแนะนาพระอาจารย์ว่าควรวางจิตอย่างไรก็มันฝึกสติให้มีสติอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วมันจะลดความอยากความคิดต่างๆได้แล้วพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับแม่ให้น้อยที่สุดเจอกันเฉพาะเวลาที่จำเป็นจะต้องเจอแลว้วเวลาอื่นก็พยายามไป ฝึกสมาธิไปฝึกสติกันอยู่เรื่อยๆแล้วความโลภความอยากที่จะออกไปเที่ยวมันจะน้อยลงไปแล้วก็ถ้าจะคิดใกล้คิดว่านี้เป็นการทำบุญที่ดีที่สุดเพราะพ่อแม่นี้เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของลูกๆเราเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่มากถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะไม่ได้มาเกิดเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ดังนั้นช่วยระยะเวลา ที่มีอยู่ตอนนี้ที่ต้องรับใช้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ก็ทำไปเถอะท่านก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดหรอกเดี๋ยวท่านก็ต้องจากเราไปถ้าเราไม่ทำเวลาจากไปก็จะมาเสียอกเสียใจในภายหลังล้วก็จะไม่ได้บุญกีว่าเป็นการทำบุญเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นการทำบุญทำทานเวลาว่างจากการเลี้ยงดูเราก็ไปเดินักเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติ รำอาหารก็เจริญสติได้ซักผ้าซักอะไรก็เจริญสติได้ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้จะไม่รู้สึกเกิดอัดไม่รู้สึกเครียดที่เราเครียดเพราะเราอยากจะหนีจากที่เราอยู่ไปอยากจะไปที่อื่นแล้วไปไม่ได้มันก็เลยเครียดงั้นต้องดับความเครียดด้วยการหยุดคิดใช้สติพุทโธพุทโธไปมันเจริญสติให้มากแล้วเราจะรู้สึกหายเครียดแล้วเราจะอยู่กับแม่อย่างมีความสุข จากคุณหญิงตื่นฝายนะคะบาปที่ทําไปแล้วมีวิธีแก้อย่างไรไหมคะอ๋อไม่มีหรอกก็วิธีที่จะไม่ไปรับบาปนี้มันก็พยายามทําบุญให้มากอยู่เรื่อยๆให้มันมากกว่าบาปอยู่เรื่อยๆเวลาตายไปบุญบาปที่เราทําไว้มันยังไม่มีกําลังพอที่จะเบ่งเราไปรับผลบาปได้ถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปหรือถ้ามีบุญจนกระทั่งไม่กลับมาเกิดเลยอย่างองค์คุลิมานี่ก็ไม่ต้องมาใช้ผลบาปที่เราทําไว้ องคุลิมาณค่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่พอสร้างบุญที่ระดับของพระอาหารหันต์ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่เกิดก็ไม่มีการไปไปรับผลบาปต่อไปข้อคำถามสุดท้ายจากคุณอยู่ยงนะคะกราบพระอาจารย์การนั่งสมาธิจําเป็นต้องนั่งในที่สว่างไหมคะบางคืนน้อยไม่หลับจะนั่งสมาธิโดยไม่เปิดไฟ กลัวรบกวนคนอื่นมีอาการตกหลุมตกบ่อ อ, อ๋อไม่จําเป็นเวลานั่งสมาธิเราหลับตาอยู่แล้ว อ, อไม่ต้องเปิดไฟเราไม่ต้องเวนั่งสมาธินี้ไม่รบกวนใครมีแต่คนอื่นจะมารบกวนคนนั่งสมาธิมากกว่าก็คนนั่งสมาธินั่งเฉยๆไม่วุ่นวายไม่ไปยุ่งกับใครงั้นนั่งสมาธินี้นั่งนั่งได้ทุกแห่งทุกคนแต่ดีที่สุดก็คนจะนั่งอยู่ที่คนเดียวจะดีกว่า พอถ้า ไ, ไปนั่งอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะถามเขาจะงงเขาจะคิดว่ากําลังทําอะไรอยู่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะไม่สบายใจจากการเห็นที่เรานั่งเฉยๆได้เพราะเขาไม่เข้าใจเราก็อาจจะคิดว่าเรากําลังอแผงลิดจะส่งลิดมาทําร้ายเขาเรืออร่อ <c> ง <oughs> นะในเวลานั่งสมาธิถ้าเป็นไปได้คนจะนั่งในที่รับดีๆดีกว่าจะได้ไม่เป็นปัญหากับใครและจะได้ไม่มีใครเข้ามายุ่งกับเรา อาลานะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในะวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอคอามเข้ามาถามแล้วนะจบแล้วนะ